เรื่องตั้งแต่เรื่องที่สิบหนึ่งสิบเรื่องที่สิบเรื่องที่หนึ่งนะครับของปัญหาชุดนี้และเป็นลําดับเรื่องที่สิบสี่ของลําดับเรื่องที่เราได้ว่ามาโดยลําดับห <c oughs> ัวเรื่องในภาษาบาลีท่านก็เรียกว่าคิหิระอะราหาติต า, าซึ่งก็แปลว่าเรื่องพระเรื่องครือหัดพึงเป็น อาราหันได้ซึ่งโดยความหมายของเรื่องก็มหมายความว่าชาวบ้านคารืหัดเนี่แปลว่าชาวบ้านเป็นพระอาราหันได้หรือพระอาราหันเป็นชาวบ้านได้ซึ่งังถือว่าเป็นอย่างเดียวกันอย่พูดกลับยังไงก็ได้ปัญหาเรื่องนี้ผู <c oughs> ้ที่เรียนธรรมะพอสงคนแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่านจะยากอะไรนะครับแต่ความซับซ้อน ในทางวิชาการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะักเพียงแต่ชี้แจงจุดสำคัญสคัญที่ควรจะรู้ก็จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการชี้แจงเรื่องนี้ท่านจึงต้องการจะแยกความหมายของคำว่าขิหิขิหิในภาษาบาลีนะครับแปลเป็นอย่างสันสกฤตว่าขร uh ืหัด แล้วก็ถ้าแปลเป็นไทยจริงๆนั้นต้องแปลว่าชาวบ้านแต่ฉะนั้นคี้หิก็ดีกรหัตก็ดีก็คือชาวบ้านนั่นเองซึ่งในภาษาบาลีเองบางครั้งก็เรียกว่าคารวาตเพราะว่าคาระก็แปลว่าเรือนผู้ครองเรือนม <c oughs> ีความหมายเหมือนกันตอนนี้ความหมายของคำว่าคี้หิหรือชาวบ้านในทางธรรมะนั้นท่านพูดไว้เป็นสองอย่าง อย่างหนึ่งพูดโดยบุคลาธิฐานบุคลาธิฐานหมายถึงพูดเิงบุคคลก็หมายถึงชาวบ้านผู้ครองเรือนที่ไม่ใช่นักบวชอย่างพวกเราโดยส่วนมากนี่แหละความหมายอีกอย่างหนึ่งที <c> ่ <oughs> ท่านหมายถึงธรรมาธิฐานคือกิเลสของชาวบ้านกิเลสของชาวบ้านเพระนั้กิเลสของชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่าชาวบ้านเหมือนกันหรือเรียกว่าขี้หิเหมือนกันเรียกว่ากระหัตเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในนี้จึงมีปัญหาว่าที่กล่าวว่าชาวบ้านหรือคฤรือหัดพึงเป็นปราอาหานได้นั้นท่านจึงต้องแยกพูดผมขอกล่าวสรุปก่อนนะครับว่าแยกพูดว่าถ้าหมายถึงผู้ที่เป็นชาวบ้านโดยบุคลาดีฐานคือเป็นเพศขเรือหัดแล้วก็บรลุปลาอาห า, านได้ในเพศนั้นแล้วก็ไม่ผิดเพราะว่ามีตัวอย่างบุคคล ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์โดยความเป็นชาวบ้านอยู่ด้วยมากมายหลายคนมีประย์เป็นต้นแต่ถ้าหมายถึงกิเลสของชาวบ้านจะยังคงมีกิเลสของชาวบ้านด้วยแล้วก็เป็นอาหารหันต์ด้วยข้อนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสาระสําคัญของปัญหานี้ก็ต้องการจะแยกสองจุดนี้ออกจากการต่อไปเราก็จะเริ่ม ดูการซักถามโดยลำดับตั้งแต่คำถามที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งตะวาทีได้ตั้งปัญหาถามในนี้ผมต้องการจะให้ดูสัพทางบาลีเขาด้วยนะครับก็เลยคงบาลีแล้วก็ใส่คำแปลเข้าไว้ขี้หิคือขรอหั์พึงเป็นอารหาันได้หรือระวาทีเขาตอบว่าชัย อาการตอบว่าใช่อย่างนี้เราถือว่าเป็นคําตอบที่กำกวมคือหมายความว่าผิดก็ได้ถูกก็ได้เพราะว่าถ้าพระวาทีไปพูดในลักษณะกำกวมอย่างนี้แล้วคนฟังเข้าใจเป็นแต่ละอย่างสองอย่างนั้นต่างกันก็จะมีความเข้าใจผิดบ้างถูกบ้างถือว่าเป็นการพูดหรือการกล่าววาทะที่ไม่สมบูรณ์ ไม่แยกแยะความชัดเจนให้ถูกต้องอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้เราจรึงต้องซักต่อไปในคำถามที่สองนะครับในคำถามที่สองเราก็ทักว่าขี้คือข้อเรืงหัดสังโยชน์หมายก็ว่าในคำถามข้อสองเนี่ยเรานำเอาความหมายขรืงหัดที่เป็นกิเลสนะฮะคือเรื่องหักกิเลสหรือที่ภาษาบาลีถ้าเรียกว่า คีหีสังโยชน์ีหีสังโยชน์ไม่ใช่คีหีพยานชะนะผมเขียนให้ดูบนกระดานนั้นหน่อยก่อนแล้วกันคีหีที่แปลว่าชาบ้านหรือแปลว่าพืหัสมีสองหนึ่ง ที่หีสัญญอดหรือที่หีสัญญนดสัญญอดก็คือกิเลสอันเป็นเครื่องลอยลักความเป็นเขนาเลือกหรือถ้ากิเลสที่เป็นเครื่องแสดงความเป็นขณนะหรือกิเลสของเขาเลือกที่มีอย่างที่สองท่านใช้คำว่าที่หีพยัญชนะคาว่าพยัญชนะตรงนี้ แปลว่าเครื่องปลาดวดหรือแปลว่าเครื่องหมายซึ่งบางทีเราใช้คาว่านิมิตหรือเภนิ i ิตเภ ท, อ เ, ทเอ่เอเเยเภทัรหสหอริสหเภทในคำนองนี้นะครับแต่ว่าในภาษาบรลีนะั้นเฉพาะในนี้เป็นใช้คาว่าที่สิพธิยัญชนันคือ เครื่องหมายของกระดาหรือเพศของกระดาอะไรเป็นเพศของกระดาอะไรเป็นเครื่องหมายของกระดาษคำว่าเตุหรือพยัญชนะในนี้ท่นหมายถึงความเป็นคู่ครองเรือนเป็นต้นความเป็นผู้ไม่ได้โคลผมไม่ได้ปลอมหนวดเป็นต้นนะครับเรียวกว่าเป็นเพศของกระดาไม่ใช่กิเลตแต่สันที่เห็นอด้วยเป็นกีเดตของกระดอันนี้จะเป็นสองอย่างต่อการที่จะต้องแยกกู้ ในคำถามที่สองนั้นเราจึงต้องแยกนะครับคือถามแยกความหมายนี้ออกมาก่อนว่าความหมายที่เราถือว่าถ้าเอาไปกล่าวโดยหมายถึงความหมายอย่างข้อสอแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดที่สังโยชน์ของพระอรหันยังมีอยู่หรือประรวาทีก็ตอบว่าไม่ใช่ การตอบว่าไม่ใช่นั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องเป็นคําปฏิเสธที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าผู้ที่เป็นพระอ า, ารามนั้นจะไม่มีกิเลสอย่างชนิดที่ชาวบ้านมีเลยเช่นการครอบครองทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นซึ่งเขาจะบอกรายละเอียดของขี้หิสังโยชน์ที่หลังคําถามที่สามถามว่าขี้หิสังโยติ ของพระอาหารหันต์ไม่มีอยู่หรืออันนี้ก็เป็นแต่เพียงคําถามปฏิเสธคําถามปฏิเสธครับว่าพระอาหารหันต์ไม่มีกิเลสของชาวบ้านใช่ไหมระวาทีก็ตอบว่าใชา่ก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องแล้วว่าพระอาหารหันต์นั้นไม่มีกิเลสของชาวบ้านหรือว่ากิเลสของชาวบ้านเนี่ยเป็นเป็น ฐานะธรรมที่พระอาหารหันต์ไม่อยู่ในฐานะจะมีอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นคำถามที่สี่เราก็ถามอีกคําถามหนึ่งว่าขี้หิสังโยช น, นพระอาหารหันต์ละขาดแล้วถอนรากขึ้นแล้วทําให้เป็นดุจตาญยอดดุจทำไม่ให้เกิดขึ้นในภายหลัง ทำให้มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาแล้วมิใช่หรือพระวัตรีต่อพระชนคำถามข้อสี่นี้ก็เป็นแต่เพียงต้องการจะเน้นให้ชัดคือยกเรียกว่ารูปรอยพุทธธรรมรักขึ้นมากล่าวเพราะว่าพระพุทธเจ้าเวลาท่านตรัสเนี่ยท่านจะตรัสด้วยถ้อยคําไปหลายๆคําในหลายๆแห่งนะครับคำว่าหลายๆแห่งหมายว่าในแห่งเดียวกันที่ตรัสในลักษณะอย่างนี้ทุกๆคําพูดจะมีมากมายหลายแบบหลายๆครั้ง ซึ่งก็หมายถึงสมุดเขทาประหารนะครับเป็นคำที่แสดงการลักกิเลสในแบบสมุดเขทาประหารว่าระหารนั้นไม่มีกิเลสของชาวบ้านโดยการลักเด็ดขาดใช่หรือไม่ประวาตทีก็ตอบว่าใช่เพราะฉะนั้นราหานจึงจึงไม่ศึกนะครับไม่ศึกควาจริงแม้เป็นโสดาบันแล้วก็ไม่ศึกอย่างเด็ดขาดถ้าบวญ แล้วก็คนที่เป็นพระหลานเนี่ยเมื่อเป็นพระหลานแล้วเราจึงเคยได้ยินว่าเมื่อบรรลุอรหันต์แล้วแม้ว่าจะบรรลุในเพศฆราวาสแต่ก็จะต้องบวชทําไมถึงว่าต้องบวชเพราะว่าในบรรดาพระอริยะบุคคลสี่ประเภทเนี่ยถ้าเป็นอริยะบุคคลต่ํากว่านั้นน่ะคือตั้งแต่อนาคามีถอยลงไปจนถึงโสดานั้นยังอาจอยู่ครองเรือนได้เพราะอะไรเพราะว่าท่านถือว่ายังไม่หมดกิเลส ที่จะทำให้ต้องครองเพศเป็นกระหัตจึงอยู่เป็นเพศกระหัตก็ได้แต่อรหันเนี่ยกิเลสที่จะทำให้เป็นกระหัตไม่มีจึงต้องบวชถ้าไม่บวชก็แปลว่าจะต้องปรินิพพานที่เราพูดกันแบบว่าเจ็ดวันเจ็ดวันนั่นและครับแต่ว่าในพุทธพจน์ไม่มีเจ็ดวันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องบวชเท่านั้นแหละ <C oughs> <c oughs> ก็เป็นอันว่าในคา ตอบของพระวาทีนะครับในคําตอบที่สองก็ถูกคาตอบที่สามก็ถูกคาตอบที่สี่ก็ถูกแต่คําตอบที่หนึ่งนั้นกํากวมคําตอบที่หนึ่งกำกวงสิครับว่าใช่ในข้อหนึ่งว่ารอระหันเป็นอรหันได้กํากวมซึ่งเรียกว่ามีทั้งถูกทั้งผิดจึงต้องทีแจงให้ดีหรือต้องพูดให้ดีถ้าพูดให้ถูกก็คือต้องพูดว่าอ ขีหิพยัญชนะเป็นพระอาหารหันได้แต่คี้หิสังโยชน์นั้นเป็นอาหารหันไม่ได้คือไม่มีในพระอาหารหันไอ้อย่างนี้จริงๆถูกต้องเรามาดูในคําถามที่ห้าต่อไปครับคําถามที่ห้าขี้หิพยัญชนะคือไอ้ลูกภาษาวาลีนี่นะครับถ้า ท่านหมายถึงคี้หี่พยัญชนะบางทีท่านใช้คําสั้นๆว่าคี้หี่นะครับอย่างที่เขียนนี่แหละครับขีหี่แต่ว่าถ้าเป็นคี้หี่พยัญชนะใช้คาว่าคี้หี่พยัญชนะประทานโทษี้หี่สังโยชน์ซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดไปพบคําว่าขี้หีปรากฏในที่ไหนท่านหมายถึงคี้หี่พยัญชนะถ้าไปเจอในรูปภาษาบาลีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาก็มาแก่แปล ทิ้งคำนี้ไปเป็นคราราหัาหรือเป็นแถวบ้านอะไรํำนองนั้นในคำถามห้านี่ยเราได้ยกค้ารึหัาเพศขึ้นมากล่าวว่าข้หรสชกไรลายที่ยังรับอาจารย์ทวที่ยังมิได้รับที่หีสังโยชน์แล้วเป็นผู้ทาที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันหรือ คำว่าเป็นผู้ทําที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันในทีน่นี้ท่านหมายถึงเป็นพระอ า, าราชหมายถึงเป็นพระอาราชหรือเป็นโวหารที่กล่าวถึงคุณสมบัติของพ ร, ร, ร, ระอาราชเพราะว่าพระอาราชหรือผู้บรรลุพระอาราชเนี่ยเราจะพบว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าออย่างเช่นองค์ุลิมานนะครับองคุลิมานหรืออีกหลายหลาท่านว่าเป็นผู้ที่หลกเล่นกระทําความเพียรแต่ผู้เดียวก็เป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันเที่ยว ซึ่งตรงนี้เป็นความหมายที่หมายถึงการบรรลุพระอ ร, ระหันต์ตนี้ข้างหน้าเนี่ยก็หมายความว่าชาวบ้านที่ยังไม่ได้ละกิเลสของชาวบ้านเป็นอราหันต์ได้หรือนั่นเองความหมายของข้อ น, นี้ชาวบ้านที่ยังไม่ได้ละกิเลสของชาวบ้านเป็นพระอรหันต์ได้หรือหรือมีหรือพระวาตีก็บอกไม่มี ก็คือความหมายคําถามดีหานั้นได้แก่บรรลุอรหันต์ได้ในเพศกระเราะหัดแต่จะต้องละกิเลส ข, ของคระหัสหมายความอย่างไรอย่างเช่นพระยศเป็นต้นพระยศนั้นบรรลุในภาพของกระเราะหัดก็จริงแต่พระยศนั้นได้ทําลายกิเลส ข, ของกระเราะหัดแล้วจึงกล่าวเรียกพระยศได้ว่าเป็นพระอรหรันต์ ทั้งทงที่ยังไม่ได้บวชเลยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีอีกหลายคนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะลองยกยกึ้วมากล่าวพอเป็นตัวอย่างกันนั้นพระวาทีก็ตอบถูกอีกนะครับในคำถามข้อที่หานี้ต่อไปคำถามข้อที่หกคำถามข้อที่หกสกะวาทีได้ยกเอาเนื้อความที่เป็นพุทธพจน์แห่งหนึ่งขึ้นมากล่าวว่าปริพาชคผู้วัชโคต ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าจาังนี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญค้ารื้อหัดไร่ไรอย่าลืมว่าการหัดตรงนี้ข้าหมายถึงการหัดที่เป็นเพศนะครับใช้คําว่าหี่ขี่ไร่ไรๆหรือกาหัดไร่ไร่ที่ยังมิได้ละขี่ขี่สังโยช น, ยนย์หมายถึงการรืหัดเพศที่ยังไม่ได้ละกิเลสของการหัดที่ยังไม่ได้ละกิเลสของการหัด เป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกได้เมื่อกายแตกมีอยู่หรือตรงนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นข้อความที่มีท้ายคำถามดูเหมือนจะไม่พอดีพอดีกับคำว่าในปัจจุบันเทียวกับท้ายคำถามข้อที่ห้านะครับเขาบอกว่าทาที่สุดแห่งทุกได้เมื่อกายแตก แต่คําถามข้อหาตอนท้ายบอกว่าในปัจจุบันเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พูก้กตัญนูเป็นว่าพระอระหันต์นั้นเป็นผู้ที่ทําที่สุดแห่งทุก์ได้ในปัจจุบันหรือในเมื่อกายแตกเป็นอย่างเดียวกันครับตรงนี้ท่านหมายถึงหมายถึงอนุ ป, ปาจิเสตณิพานที่เกิดแก่พระอระหันต์ในปัจจุบันในชาตินี้ ปัจจุบันน่ะหมายถึงปั จ, จบันนาไม่ใช่อีกเจ็ดชาติอย่างพระโสดาบันอีกเจ็ดชาติเป็นอย่างยิ่งหรื อ, อกลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงคราวเดียวอย่างเช่นพระสกิทาคามีหรือไปทําที่สิศฐางทุกในเทวลโลกสุทาวาตเป็นอย่างเดียวกันนะเพราะนั้นทิศฐานทุกเมื่อกลายแต่ก็หมายถึงทุกแบบ นิสรณะนะนิสรณ ะ, ะวิมุตต์คือพ้นจากทุกโดยการสลัดออกแบบอนุปาทิเสสนิพัทธก็กายแตกคือกายในปัจจุบันในชาตินี้แตกนั่นเองแเราก็ต้องทวนดูคําถามกันอีกครั้งหนึ่งว่าปวฉตโขกขาถามว่าชาบ้านที่ยังมีกิเลสของชาบ้านเป็นผู้ที่เข้านิพพานได้หรือเป็นผู้อนุปาฏิเสสนิพานได้ มีอยู่หรือไม่พรบผู้มีพระภาคก็ตอบว่าดูก่อนว่าจะโครตรไม่มีคีหิไรไรที่ยังไม่ได้ละคีหิสังโยชน์แล้วเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกได้เมื่อกายแตกต่างนี้เป็นสูตรมีอยู่จริงมีจริงตรงนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสชัดเจนนะครับว่าไม่มีชาวบ้าน ที่ยังรักกิเลของ้าบ้านไม่ได้จะเข้านิพพานได้คำถามเหล่านี้ว่าจะโคตรได้นำเอามาคูลถามพ้ะผู้มีพระภาคในหรือเหมือนจะในปอดสปาทสูนย์นะปอดสปาทศูนย์พรไปิกเล่มที่สิบสามซึ่งคำถามต่างๆในนั้นมีมากมายสี่ถามว่าเช่นว่า พวกนอกศาสนาไปสวรรค์ได้หรือไม่พระพุทธเจ้า ก, ก็ตอบว่าไปได้พวกคือเว้นพวกกรรมวาทีแต่และก็พวกกรรมวาทีนี้ไปได้พวกที่ไม่ใช่กรรมวาทีนั้นโดยมากไปสู่ไสยภูมิก็หมายถึงพวกที่เชื่อกรรมพวกที่ทําบุญทำกุศล น, นั่นแหล ะ, ะแล้วก็ถามเรื่อยๆมาจนกทั่ทงถึงถามถึงว่าพรหัตเนี่ยจะเข้านิพพานได้ไหม คือหมายถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วประดับขันทาคปรินิพานในเพศคลุหัดได้หรือไม่พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบแยกแยกความหมายสองอย่างนี้ออกจากกาันซะก่อนแทนที่จะตอบว่าได้ไม่ได้อย่างเราตอบชัดๆนะครับงั้ว่าเราเคยอ่านมาว่าหลายๆคนนั้นเป็นชาวบ้านธรรมดาๆได้บรรลุธรรมแล้วก็ปรินิพานเลยอย่างเช่นพระพุท ธ, ธ, ธบิดาปุ๊พพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บวชแล้วก็ สติมาหามัดที่เมาเล่าไปฟังพระพุทธเจ้าเทศเจ้อเจ้ใจเรื่องการตายของนางสนมไปฟังพระพุทธเจ้าพระเจ้ า, าประเทศเจอท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพานในที่นั้นโดยยังไม่มีโอกาสจะได้บวชถ้าอย่างเนี้ถ้าเป็นเราเราก็ตอบว่าถ้าใครถามบอกว่าชาวบ้านชาวบ้านที่เป็นอหรหันต์และปรินิพานในคค้าวของชาวบ้านมนาะได้หรือไม่แล้วก็ตอบก็ได้แต่พระพุทธเจ้าท่าน ต้องการจะแยกส่วนผิดส่วนถูกออกท่านจึงบอกว่าเ อ, อชาวบ้านคือคราหัตเทศเนี่ยที่ยังลักกิเลสของคราหัตไม่ได้และทําที่สุดแห่งทุกข์คือเข้านิพพานไปในข้าของคราหัตโดยยังมีกิเลสของฆรหัตอยู่ด้วยนะไม่มีแต่ทละกิเลสของฆรหัตได้แล้วก็มีหลายคนหลายท่านที่เดียวนี่ก็เป็นพุทธพจน์ที่ทรงตรัสยืนยันอย่างนี้ เมื่อเรายกพุทธพจน์ที่เป็นคำวิสัญนาคําถามของวจิโคตปริพาโชคขึ้นมากล่าวพราวัทีก็ตอบรับคําตอบรับของประวัตีในที่นี้ก็ชอบแหลหมายความว่าเขาเองเขาก็ยอมรับว่ามีพุทธพจน์นี้จริงและพุทธพจน์นี้มีความหมายอย่างนี้จริงอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระวัตีเองก็มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้อยู่เหมือนกันนะครับว่าผู้ที่เป็นคเรือหัดนั้น บรรลุได้ในเพศกฤะดือหัดแต่ต้องละกิเลสของกฤะดือหัดก่อนแต่ผิดตรงที่ว่าพระวาจีนั้นกล่าวคำพูดกำกวมเราถึงต้องชี้แจงกำกวมคือที่พูดว่าคระดือหัดเป็นอาราันได้เนี่ยหรือเป็นคํากำกวมจะจะพูดไม่กำกวมก็ต้องพูดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบปริพาชคคนนี้เราดูคําถามที่เจ็ดครับอันนี้เราจะเห็นจะเห็น ข้อทำหรือประเภทธรรมของขีดีสังโยชน์คือกิเลสของครือหันที่พระอรหันต์ไม่มีอย่างนี้มีอะไรบ้าง <S <S ในนี้มีทั้งหมดสิบสองอย่าง <S <S <S อย่างหนึ่งคพึ่งเศษเมถุนธรรมซึงเศษเมทุนธรรมนี่เออเขาก็ตั้งเป็นรูปคําถามนะครับว่าพระอรหันต์พึงเศษเมถุนธรรมหรือก็ไม่ใช่เพราะว่ารอรหันต์นั้นไม่ครองเรือน อย่าว่าแต่เจ็บอ่อนบางกว่านี้หรือแม้แต่ครองเรือนอยู่ก็ไม่มีนะฮะประกานั้นเรื่องเศรษฐเมตุนธรรมนั้นก็มีในกับพระอริยะบุคคลชั้นต่ําแม้กับพระอนาคามีบุคคลก็ไม่มีถ้านาคามีบุคคลเมื่อบรรลุเป็นอนาคามีแล้วต้องถ้แต่งงานอยู่นี้ต้องอย่ากับสามีหรือภรรยา ท, าทันทีแต่ว่าอาจจะไม่บวดได้เพราะว่า ยังไม่ถึงกับห้ามการบวชห้ามการคลองเพศก็รับอันนี้ในสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างอยู่ไปฟังธรรมจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วกลับบ้านไม่ยอมพูดเจาัาหวานกับภรรยาของตัวเองเจอทั้งทำให้ภรรยาเข้าใจผิดหรือวิสาขาอุบาสกกับนางธรรมธินาเทรีที่ตอนหลังภรรยามาบวชสามีไม่ได้บวชตลอดชีวิตข้อสอง พึงยังเมถุนธรรมให้เกิดอคําว่าพึงยังเมถุนธรรมให้เกิดนั้นตรงนี้เข้าใจว่าจะหมายถึงความขวนขวายในเรื่องของเมตุนธรรมนะฮะซึ่งไม่ได้หมายถึงการเสร การเตะหมายถึงการปฏิบัติในตัวแบบเรียกว่าาเป็นเป็นเป็นศีลข้อสามก็เรียกว่าขาดศีลข้อสามไปเลยตามองค์ตามหลักคือหมายความถึงการประพฤติยืนในทางครบองค์พยายามด้วยประการาต่างๆแล้วก็มักสู่มักร่วมเข้าไปชั่วหนึ่งมเมล็ดงาถือว่าเสพแหละแต่ถ้าหากว่าพยายามด้วยประการทั้งปวงแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นนี้ ก็ยังไม่ซื้อนะครับไม่ถือว่าเป็นการเสกอย่างเช่นวินัยของพระเนี่ยถ้าเป็นการพูดเคาะพูดเคาะหมายถึงอไปพูดเกี่ยวการาศีเพศหญิงอย่างที่ยกตัวอย่างในกรณีของพระในในวินัยพิดกนะฮะพูดเคาะหรือการพูดเกี่ยวการาศีหรือการพูดกระทบกระเทียบหรือการสัมผัสถูกต้องเหล่านี้ เป็นเรื่องกระบวนการของเมตุนิธรรมสามพึงนอนในที่นอนอันคับแคบโดยบุตรอันคําว่าคับแคบตัวนี้ก็เป็นสนันโนะน่ะสําหนดที่จริงก็หมายถึงอมีสมมติเรามีที่นอนหรือมีเตียงเนี่ยครับมีอะไรขึ้นมาทําให้ที่นอนนั้นคับแคบลงไปก็ถือว่าสิ่งนั้นได้มาทําที่นอนนั้นให้คับแคบนั้นที่นอนนั้นคับแคบด้วยอะไร ก็ที่นอนนั้นชื่อว่าคับแคบในสิ่งนะทีนี้ที่นอนของชาวบ้านเนี่ยเราก็เดอะถ้ามป็นจะบ้านชาวรอือนนะก็มีบุตรภรยาในที่นี้ถึงแม้ว่าจะพูดบุตรอย่างเดียวก็หมายถึงภรรยาหรือสามีด้วยถ้าเป็นสุภาพสตรีอ่าในเช่นนับรวมคับแคบในเห็นใช้เป็นหลายหลายกรณีนะครับแม้กระทั่งสังคมของเราที่เราอยู่ในชีวิตธรรมดาๆนี่ก็ถือว่าเป็นสังคมที่คับแคบด้วยกามมรมักคุณอารมณ์ ไม่ปลอดโปร่งทีนี้ถ้าเป็นพระอรหันนั้นแต่จริงๆทานอาจจะนอนที่นอนแค่แค่ไหนนั้นไม่ได้หมายถึงตรงนี้อย่างเช่นที่นอนของของที่นอนหมายถึงที่ที่ไม่ใช่ที่นอนที่เป็นฟองน้ํำน่ะอที่เราเรียกหมายถึงเป็นฟองน้ำเป็นอีกอย่างแต่ที่นอนหมายถึงที่ที่เราจะไปอาศัยนอกอ่าของพระในท่านก็มีขอบเขตอะไรของท่านอยู่แต่ที่นอน มันคับแคบอยู่แค่ไหนอในที่นี้มันก็หมายถึงคับแคบเหมือนกันแต่ไม่ได้คับแคบด้วยสิ่งอื่นที่เป็นเครื่องแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสด้วยซ้ำเห็นเรานอนเตียงจะพาะตัวนี่ยก็เรียกว่าเป็นเตียงคับแคบแต่ว่ามันคับแคบด้วยขอบเขตของมันเองไม่ใช่คับแคบด้วยบุญมันเป็นสิ่งที่เรายึดถือหรือไม่ได้คับแคบในปริญญาในสิ่งที่เรายึดถือด้วยกิเลสของเรา วันนี้ก็เป็นไถ่คำนะที่ความหมายจริงๆก็คือนอนคนเดียวนั่นเองนอนคนเดียวไม่มีปรรยาสา ม, หมีหรือบุตรอยู่ด้วยเหมือนชาบ้านแต่ชาบ้านนั้นโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ข้อสี่พึงใช้ผ้ากาสิกาจุนจันและจุนจันคำว่าผ้ากาศิกาเนี่ยหมายถึงผ้าที่มาจากแวลงกาสีผ้าของชาวกาสีผ้าจากแกลนกาสีจริงๆนั้น ผ้าที่อื่นก็ก็หมายด้วยนะคะแต่ว่านี่ท่านเอาผ้าที่มันหมายถึงผ้าที่คนเขานุ่งห่มกันด้วยกิเลสเพรเป็นผ้าที่มีราคาดีอใหม่ก็ดีเก่าก็ดีกลางใหม่กลางเก่าก็ดีราคาแพงสีสวยแล้วก็นุ่งห่มสบายคือผ้าแฟนกาสีเป็นปัญลักษณ์ของผ้าที่มีคุณภาพดีเหมือนอย่างเราพูดถึงผ้าอย่างผ้ากาดยอหรือผ้าอต่างๆเนี่ยนะแต่ในสมัยพุทธกาลเขาพูดคาว่าผ้ากาสีซึ่งเป็นผ้าที่ นี่คืงเป็นผ้าของคนที่มีกิเลสเป็นผ้าของคนมีกิเลสในที่พระ้าหานันต์ความจริงท่านก็นุ่งห่มผ้าใช้ผ้าเหมือนกันแต่ผ้าของท่านไม่ใช่ผ้าในทํานองอย่างผ้าดีๆอย่างผ้าแคนกาลูสแล้วก็จุนจันก็เหมือนกันคนที่จะทาจุนจันมันก็เป็นเรื่องของมุ่งผลในทางความสวยงามไม่เหมือนทายาหมองแต่จุนจันหรือถ้าสมัยนี่ก็หมายถึงเครื่องมันเนี่ยเป็นเครื่องให้ความหอม ดอกไม้อย่าเช่นดอกไม้เนพ ร, ะ, ระไม่มีความยังเป็นกันกลับช <c oughs> ีวิตกระดิกชีวิตกระดัก